ปีก่อ น, นอที่ประเทศทางกอรีมีหมู่บ้านแห่งหนึ่งก็เรียกว่าอยู่ไกลาจากความเจริญชาวบ้านส่วนใหญ่ก็เป็นชาวนาชาวไร่ในหมู่บ้านนี้เนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งที่ชาวบ้านนับถือนะพอเธอเป็นหมอตำย่แล้วก็เป็นหมอสมุนไพรเวลาใครเจ็บใครป่วยก็มาข อ, อยาและเธอก็ มียาหลายขนานนะให้กับชาวบ้านชาวบ้านก็เลยนับถือมากชื่ว่าป้าซูซี่ความที่เป็นคนที่ชาวบ้านนับถือก็มีผู้หญิงหลายคนมาเวลามีปัญหาก็มาปรึกษาป้าซูซี่ปัญหาหนึ่งที่ผู้หญิงหลายคนมักจะนำมาเล่าให้เธอฟังก็คือถูกสามี ทำร้ายใช้ความรุนแรงหลายคนก็คงจะเมาด้วยแลเราก็ทุบตีภรรยายู่เป็นประจำวิ่งเหล่านี้นี่ก็เรียกว่าต้องทุกข์ทรมานมากก็มามาเล่ามาระบายให้ป้าซูซี่ตอนหลังแกก็ เสนอทางออกให้นะคือให้ยาพิษนะแกก็รูนะ้วิธีการทำยาพิษนะโดยใช้สารหนูเนี่ยที่ได้มาจากการต้มกระดาษที่กระดเหนือที่เขาใช้ดักมแมลงต้มกับพวกน้ส้มสายชูแล้วมันก็จะมีสารหนูออกมาเอามาตากแห้งนี่ก็ กลายเป็นยาพิษได้ป้าซูซี่นี่ก็ให้นะยาพิษเนี่ยกับผู้หญิงที่มาปรึกษาหารือเรื่องผวกถูกผัวซ้อมถูกผัวทำร้ายพิงหลายคนนี่ก็ทำตามนะข้อเสนอของป้าสูซี่นะเอา แล้วซานหนูเนี่ยไปไปผสมกับซุปนะหรือว่าน้ำแกงให้ผัว ก, กินส่วนใหญ่ก็ตายนะตายทีละคนสองคนโดยที่ไม่มีใครเอิดใจว่าตายเพราะถูกวางยา เรื่องนี้เนี่ยก็เป็นที่รู้กันนะในหมู่ผู้หญิงชาวบ้านงนพอใครมีปัญหาเรื่องถูกผัวซ้องผูกดัวทำร้ายก็มาหาป้าซูซี่ป้าซูซี่ก็ให้ยาพิษต่อหลังเนี่ยพอคนแวดวงผู้หญิงรู้มากเข้ามากเข้าเนี่ยมันก็มี บางคนนะที่ไม่ได้ถูกผัวซ้อมไม่ได้ถูกผัวทำร้ายแต่อาจจะมีเรื่องทะเลาะบ่าแวงเรื่องขัดอกขัดใจกับผัวยืดเยื้อรอะรังมานานไม่รู้จะทำไงนะก็ไปขอยาพิจากป้าซูซี่เนี่ยนะมาให้ผัวกิน เป็นการกำจัดสิ่งที่รบกวนจิตใจออกไปจากชีวิตแล้วตอนหลังบางคนเนี่ยก็ไม่ได้มีเรื่องมีราวอะไรกับผัวมากนะแต่ทนรำคาญกลิ่นผัวไม่ได้ผัวนี่ส่งกลิ่นเหม็นก็โจคงจะไล่ผัวไปอาบน้ำหลายครั้งหลายคราผัวไม่ไปสักทีไม่ไป ระงับกลิ่นตัวสักทีกลิ่นเหม็นไม่ยอมอาบน้ำเมียลำคาญนะไม่รู้ทำยังไงก็เลยขอยาพิษนะจากป้าสุซี่มาให้ผัววางยาผัวก็ตายตอนหลังเนี่ยมันก็จะมีเหตุการณ์แบบนี้มากขึ้นเรื่อยๆคือไม่ได้ถูกผัวซ้อมไม่ได้ถูกผัวทำร้าย แต่ว่ามีเรื่องที่มันไม่ถูกออกถูกใจอย่างเช่นบางทีผัวป่วยหรือพ่อผัวป่วยหรือบางทีญาติผู้ใหญ่ป่วยตัวเองก็ดูแลดูแลไปนานๆาข้อมันก็เหนื่อยก็ล้าไม่รู้ทำไงก็ขอนายาพี่จักเป้าสูงสีเนี่ยนะ มาให้คนป่วยพอคนป่วยตายก็เป็นอันหมดภาระเพราะว่าคนในหมู่บ้านเนี่ยตายกันแบบนี้เนี่ยที่เราคนสองคนต่อเนื่องกันเป็นเวลา10กว่าปีนะโดยที่ไม่มีใครเอใจหรือไม่มีใครสงสัยเลยแต่ตหลังเรื่องก็แดงนะเพราะว่าคนตายเยอะเหลือเกิน ช่วงส5้าปีเนี่ยมันมีคนตายช่วงมีคนตายเพราะถูกวางยาแบบนี้นะต้องร้อยหสิคนหรืออาจจะมากกว่านั้นก็นะตอนหลังป้าสูซี่ก็ถูกจับนะแล้วก็ก็ถูกประหารมันก็เป็นเรื่องที่น่าสลดใจนะแต่มันก็ทำให้เกิดคำถามขึ้นมา หลายข้อทีเดียวอย่างเช่นว่าทำไมคนที่ดูมีเมตตายิ้มแย้มแจ่มใสยอย่างป้าซูซี่เนี่ยถึงเรียกว่าใจความมหิตนะเห็นชีวตคนเนี่ยเป็นผักเป็นปลาได้เหมือนกันพร้อมที่จ ะ, ะร่วมมือนะหรือว่าพร้อมที่จะอยู่เบื้องหลังนะการ สังหารหรือกำจัดชีวิตผู้คนซึ่งก็ไม่ใชเป็นคนที่เป็นศัตรูคู่อริเป็นคนที่รู้ตัวเยงรู้จักเพราะว่าเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันทำไมถึงทำได้ลงคอคำตอตอบเป็นเพราะว่าแกหวังผลประโยชน์ด้วยนะเพราะว่าทำอย่างนี้มันก็ได้ค่าจ้างแล้วก็ได้บางทีก็ได้ค่าจ้างที่ ดีซะด้วยนะแต่ว่าคำถามที่น่าสนใจพอๆพอกันก็คือว่าทำไมชาวบ้านเนี่ยหรือว่าผู้หญิงในหมู่บ้านจำนวนมากเลยเนี่ยถึงคิดที่จะฆ่าคนอื่นหรือฆ่าคนที่ตัวเองรู้จักได้เพียงเพราะว่ามีสิ่งที่ไม่ถูกใจจะเรียกว่าเล็กๆน้อยๆก็ได้ เช่นทนกลิ่นตัวผัวไม่ได้แล้วก็คงจะรู้ว่าต้องทนอย่างนี้ไปอีกนานกว่าผัวจะตายมันทนไม่ไหวไม่อยากรอนานขนาดนั้นก็เลยกำจัดให้พ้นไปจากชีวิตซะเลยเร็วๆซะเลยเนยมันมีเหตุผลทำนองนี้เนี่ยมากมายนะที่ทำให้ ผู้ในหมู่บ้านนี้เนี่ยเขาเลือกที่จะฆ่าชีวิตนะของผู้คนที่ตัวเองรู้จักถ้าถ้าเพียงแค่ว่าถ้าหากเป็นเพราะว่าถูกทําร้ายถูกซ้อมนะถูกทุบตีเพราะผัวเมาหรือเพราะผัวนี่เป็นคนโหดร้ายการที่วางยาผัวนี่มันก็จะเป็นการก็ป้องกันตัวนะ ซึ่งแม้มันจะไม่ถูกนะแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้เพราะผู้หญิงจำนวนมากพออยู่ใสางกายแบบนี้แล้วก็ไม่รู้จะเนี่ยไปได้ยังไงนจะยาก็ยาไม่ได้เพราะว่าศาสนาเขาไม่อนุญาตจะไปอยู่ที่ื่นก็ไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนก็เลยต้องหาทางกำจัดโดยวิธีนี้แต่ว่าหลายคนนะก็ไม่ได้มีเนี ความทุกข์ขนาดนั้นที่รุนแรงมากพอที่จะต้องใช้วิธีที่เป็นการแก้ปัญหาไม่เพียงแค่เพราะว่าเจอความยากลำบากเจอสิ่งที่ไม่สบอารมณ์เจอสิ่งที่ไม่ถูกใจวันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่าก็ไม่รู้ว่าจะหาทางออกแต่ยังไงก็เลยใช้วิธีกําจัดให้พ้นไปจากชีวิตซะเลยอันนี้มันเป็นคาถามนะที่น่าคิดว่าทไม คนซึ่งไม่ใช่เป็นคนใจคอโหดร้ายนะทำไมถึงทำอย่างนั้นได้หลงคอที่จริงมา จ, จะเริ่มต้นจากความแค่ความคิดเลอยๆนะว่าเออถ้าคนคนนี้หายไปจากชีวิตของฉันมันก็คงจะดีไม่น้อยนะคนที่มีปัญหากับผัวคนที่มีปัญหากับพ่อผัวคนที่มีปัญหากับ แม่ยายหรือว่ามีปัญหากับเพื่อนบ้านวันแล้ววันเล่าเป็นปีๆเนี่ยมันเกิดความเครียดเกิดความขุนเคืองพอมีความมันก็เลยเกิดความคิดขึ้นมาแบบนี้ว่าเออถ้าเขาหายไปจากช่วยของฉันก็ดีเหมือนกันนะพอคิดล้วก็สบายใจแต่ว่าพอมีความคิดแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ย แล้วยังต้องเจอความทุกข์ต่อไปเนี่ยมันก็จะเริ่มคิดจริงจังเลยนะว่าเนี่ยไม่ใช่แค่ยายเขาหายไปจากชีวิตหรือหายไปจากโลกนี้แต่ว่ายายเขาตายด้วยอุบัติเหตุยายเขาตายเพราะเป็นโรคมะเร็งยาเขาตายเพราะเป็นโรคฝีดาษทรพิษเนี่ยเพราะสมัยนั้นมันเป็นโรคที่รุนแรง เริ่มจะคิดจริงจังแล้วนะจากแค่จากเดินแค่ยายข้าหายไปจากชีวิตของฉันตอนนี้กลายเป็นแค่กลายเป็นว่ายายเข้าตายนะเพราะอุบัติเหตุยายเข้าตายเพราะถูกยิงยายเข้าตายเพราะเจ็บป่วยถูกน้ำท่วมนะถูกแผ่นดินไหวมันเริ่มคิดจริงจังมากขึ้นแล้วพออย่างมีความทุกข์ต่อไปมีความคับแค้นต่อไป มันไม่ใช่แค่ยากแล้วมันเริ่มแช่งชักหักกระดูกแล้วนะเริ่มแช่งแล้วนะขอให้มันตายไวันนี้วันพรุ่งนะอันนี้ด้วยความแค้นหรือด้วยความทุกข์บางทีก็ถึงกับบนบานสายเก่าวลนยะขอให้มันตายเพราะมันตายเพราะโลกนั้นโรคนี้แต่แช่งก็แล้วบนบานสายเก่าก็แล้วนี้ไม่ตายสักที ขณะที่ความทุกข์ความโกรธแค้นก็เพิ่มพูนมากขึ้นสุดท้ายนั้นมันก็จากแค่ความคิดมันกลายเป็นการลงมือกระทําซึ่งก็มักจะเกิดขึ้นในเวลาที่ลืมตัวนะเช่นอาจจะถูกทําร้ายหรือว่าจะกินเหล้าเมานะหรือว่าอาจจะเจอเหตุที่ไปกระตุ้นให้เกิดโทสะเรืยกวบันดาลโทสะอย่างแรงก็ได้อันนี้คือเหตุผลนะ ที่ทำให้ทุกวันนี้เราก็ยินข่าวคราวนะบางทีผู้หญิงที่ดูไม่มีพิษสงอะไรเลยวันดีคืนนีก็ฆ่าผัวผัวนี่ก็ตบตีนะด้วยความเมาแล้ววันหนึ่งเนี่ยผัวเกิดเมามากเมียก็ทนทุกทรมานมานาน ไม่รู้วจอกจากขุมนรกได้ยังไงก็คอนทุกผัวผัวตายเลยอันนี้ก็เป็นข่าวนีถามว่าคนเรียกว่าคนดีๆแบบนี้เนี่ยกลายเป็นฆาตรกรได้อย่างไรนะเมื่อคงก็คงเหมือนกับเรื่องราวของผู้หญิงนะในหมู่บ้านแฮงการี่ที่ลายฟังเนี่ ย, ยก็คือว่าพอมีความทุก พอมีความเจ็บปวดพอมีความเดือดร้อนทีแรกก็เพียงแค่คิดว่าเออมันคงดีไม่คงดีไม่น้อยนะถ้าเขาหายไปจากชีวิตของฉันแต่ตอนน่อหลังพอไม่ไปสักทีมันก็เริ่มคิดจริงจังแล้วใหญ่เขาตายถูกรถชนตายใหญเขาเป็นมะเร็งตายใหญ่เขาประสบอุบัติเหตุตาย มันเริ่มคิดเป็นจริงเป็นจังมากขึ้นแต่พอไม่ตายสักทีก็เริ่มแช่งแต่แช่งแล้วบนบานก็แล้วไม่ตายสักทีพอความแค้นมันแน่นอกเนี่ยแล้วพอมีตัวกระตุ้นทำให้ลืมตัวนี่มันก็สามารถจะลงมือได้เลยจากเดิมนี่เพียงแค่ว่าคิดลอยๆว่าเออตายไปก็ดีนะกลายเป็นลงมือกระทำด้วย นำมือของตัวเองอันนี้คือคือคือแรงจูงใจนะที่ทำให้คนจนวนไม่น้อยเนี่ยซึ่งดูเหมือนว่าไม่น่าจะมีพิษสง์อะไรบางทีมดยังไม่ตบนะยุงก็ไม่บียุงไม่ตบมดไม่บีแต่ว่าทำไมเนี่ยถึงฆ่าคนได้ มันก็เริ่มต้นจากนะความคิดลอยๆอยเรียกว่าฝันกลางวันว่าเออถ้าเขาหายไปจากชีวิตของฉันก็คงจะดีไม่น้อยแต่ว่าพอปให้ความคิดแบบนี้มันมันลุกลามไปเข้ามันกกลายเป็นเรื่องจริงเรื่องจังขึ้นมาอันนี้มันไม่ใช่แค่เมีย่าผัวอย่างเดียวนะ บางทีลูกดูแลแม่เนี่ยนะแม่นี่ก็เจ็บป่วยเรื้อรังบางทีเป็นโรคความจำเสื่อมลูกก็ดูแลแม่เป็นปีปีห้าปีก็แล้ว10ปีก็แล้วนะต้องทิ้งงานทิ้งการไม่มีอนาคตตัวเองก็มีลูกที่ต้องดูแลแต่ก็ต้องทิ้งลูกไปต้องมาดูแลแม่ แม่นี่ก็พอความจำเสื่อมก็มีอารมณ์นะที่ชอบกระทบกระทั่งลูกผู้ดูแลหรือว่าบางทีก็กลายเป็นภาระเป็นยี่สับ5้ปี10ปีเนี่ยนะลูกก็เริ่มคิดแล้วนะว่าเออถ้าแม่ตายไปมันก็คงดีไม่น้อยนะ ใช่ได้กลับไปไหมมีใ ช, ช้ชีวิตเหมือนเดิมกลับไปดูแลลูกหรือว่ากลับไปมีคู่นะกลับไปใ ช, ช้ชีวนะิตที่อิสระของฉันแต่นี่ฉันทำนั้นไม่ได้ต้องมาคอยดูแลแต่ที่แม่ไปฉันก็ไม่อยากไปรั่วกัะตันอยู่แต่พอดูแลไปดูแลไปมันก็หนักขึ้นหนักขึ้นมันก็อดไม่ได้นะที่จะนึกนะว่าเออถ้าแม่ไป หายไปจากโลกนี้ซะวันนี้เลยในฉันคงจะมีความสุขมากเลยความคิดแบบนี้มันผุดขึ้นมาได้เสมอนะสหรับคนที่เป็นลูกที่อยู่ในสถานการณ์แบบนี้นะแต่บางคนก็พอรู้ทันก็รู้สึกเศร้ารู้สึกผิดนะาาทำไมไมฉันจึงมีความคิดแบบนี้แต่บางคนก็ไม่รู้ทันนะพอมันมีความคิดแบบนี้ ขึ้นมาแล้วแล้วไม่รู้ทันเนี่ยต่อไปมันก็ไม่ใช่แค่ให้แม่หายไปจากโลกนี้นะบางทีมันเกิดความคิดจริงจังเลยนะที่จะทำให้แม่ไปจากโลกนี้ไม่ใช่เพราะโรคภายใครเจ็บนะแต่ว่าด้วยน้หมือของตัวเองโดยเพราะตอนที่เครียดหนักๆนะตอนที่รู้สึก ลามากๆนี่มันลืมตัวอดคิดไม่ได้แม่นี่คือมารชีวิตกาลงมือนะทำร้ายแม่เอาหมอนอุดจมูกนอุดปากก็มีพอรู้ตัวเข้าตกใจรู้สึกผิดไม่สามารถจะสู้หน้ากับโลกได้ไม่สามารถถนความรู้สึกผิดได้ก็ทำร้ายตัวเองนะตายตกไปตามกันนี่ไม่ส่งนาักาการของชีวิตนะ ซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่พึงสังวรระวังเอาไว้ทจริงอย่าว่าแต่เจออยู่กับต้องเจอผัวที่ถูกทําร้ายเจอผัวที่ทําร้ายทุบตีหรือว่าต้องดูแลพ่อดูแลแม่ที่เจ็บป่วยชืดเยื้อเร ล, ลังมา น, นานบางทีอยู่กับเพื่อนบ้าน มีเรื่องทะงเลาะเบาแหวกกับเพื่อนบ้านมาีเรื่องขัดใจเพื่อนบ้านมาปีแล้วปีเล่าปีแล้วปีเล่ลา5ปีแล้วก็10ปีแล้วพอคิดต่อไปว่าเนี้ยฉันต้องอยู่กับไอ้นี่เนี้ยต่อไปอีกไม่รู้กี่ปีบางทีเออคิดไม่ได้นะวิสัยบุธชนนะเอ อ, อยายขาหายไปจากโลกนี้หายไปจากชีวิตของฉัน แต่ทันทีที่เราคิดแบบนี้มีความคิดแบบนี้ขึ้นมานะมันมักจะไม่หยุดแค่นี้นะมันมักจะไปต่อไม่ใช่แค่ยายเขาหายไปจะโรคนี้ลอยๆแต่ว่ายายเขาตายเลยตายเพราะโรคนั้นโรคนี้และจากความยายเ้าตายไปเพราะโรคนนโรคนี้แล้วไม่ตายสักทีคราวนี้มันเกิดความคิดที่จะลงมือทำด้วยตัวเองนอันนี้มันเป็นอาการของ มันเป็นพัฒนาวิวัฒน์เรียวอะไรเป็นพัฒนาการความคิดนะซึ่งเราต้องระวังเพราะคนเราเนี่ยเวลามีเจออะไรที่ไม่ถูกใจเดี๋ยวพอผู้คนที่ต้องอยู่ด้วยกันนานๆแล้วก็มีเรื่องกระทบกระทั่งกันเพราะมีเรื่องกระทบกระทั่งกันไปนานๆนะแล้วก็มองไม่เห็นทางออกสักทีว่ามันจะเลิกลากันไปได้อย่างไร มันก็มักจะมีความคิดหนึงผลขึ้นมาเนาะว่าถ้าเขาหายไปจากโลกนี้หรือหายไปจากชีวิตของฉันมันก็คงจะดีไม่น้อยที่แรกก็คิดแบบนี้แหละแต่ถ้าไม่ระมัดระวังเนี่ยมันจะไปต่อนะมันจะเริ่มกลายเป็นความอยากนะาให้เขาตายโดนรถชนตายอยากให้เขาป่วยเป็นมะเร็งตายอยากให้เขาถูกรถชนตาย มันเริ่มคิดเป็นอกุศลมากขึ้นแล้วถ้าไม่ไม่รู้เท่าทันความคิดนี้นะต่อไปเนี่ยมันจะจะกลายเป็นว่าอดที่จะลงมือทำไม่ได้หรือมิฉะนั้นก็ไปจ้างคนอื่นมาทำอันนี้มันก็เป็นเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นมากมายนะที่กลายเป็นข่าวเพราะคนธรรมดาซึ่งดูเหมือนว่า ไม่ได้เป็นคนที่โหดร้ายอะไรแต่ทําไมกลายเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังการตายของคนใกล้ตัวไม่ว่าจะเป็นผัวเป็นเมียรหรือเพื่อนบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเวลาเวลามันมีเรื่องกระทบกระทั่งกันเนี่ยถ้าเราไม่ไม่สังเกตความคิดจิตใจของเราเนี่ยเราก็จะปล่อยความคิดพวกนี้มัน ปรุงแต่งเลยเถิดไปให้การที่คนเราเนี่ยวมีเรื่องกระทบกระทั่งกับใครมีความขัดแย้งกับใครไปนานๆไม่ว่าจะเพาะเป็นผู้ครองเป็นเป็นญาติผู้ใหญ่เป็นเพื่อนบ้านหรือเป็นพี่เป็นน้องนะพอโตขึ้นแล้วก็มีเรื่องที่กระทบกระทั่งกันได้มากโดยเฉพาะคนอยู่ใกล้กันพี่น้องในบ้านเดียวกัน หรือว่าพ่อตาแม่ยายในบ้านเดียวกันไม่ใช่แค่ผัวเมียอาจจะเป็เพื่อนบ้านพอมีเรื่องที่ทะเลาะบอกแวงกันแล้วก็ไม่รู้ว่าจะหาทางออกอย่างไรจะย้ายไปอยู่ที่อื่นก็ไปไม่ได้มันจะเริ่มมีความคิดแบบนี้ถ้าเขาหายไปจากโลกนี้ก็จะดีนะนะแล้วก็จะเริ่มคิด จริงจังมากขึ้นนะยายเขาตายคิดถักุศลบางทีก็ออกไปบนบานสายเก่าอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับคนทุกคนนะเวลาตกอยู่ในสถานการณ์ที่ดูเหมือนไม่มีทางออกแต่ถ้าเกิดว่าคนเราเนี่ยนะเวลามันมีความคิดแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยตอนแรกๆเนี่ยให้เราให้เรารู้ว่านี่คือสัญญาณเตือนแล้วเราต้องระวังแล้ว เพียงแค่คิดว่าเนี่ยเขาหายไปจากโลกนี่หายไปจากช่วยของฉันก็ดีนะถ้าคิดแบบนี้มันเริ่มเป็นสัญญาณเตือนแล้วว่าเราต้องระวังรักษาใจไม่ให้ความโกรธความแค้นความเครืองความหนุดหิดมันครอบงำเวลาเกี่ยวข้องกับบุคคลที่ว่าพอไม่งานเนี่ยมันก็จะคิดเป็นจริงเป็นจังมากขึ้นแล้วก็ลงเบิกกระทำํำที่จริงแล้วเนี่ย ไอ้ต้นต่อของความคิดหรือเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันคืออะไรมันก็คือความคิดว่าคนอื่นเนี่ยนะเป็นที่มาแห่งความทุกข์ของฉันคนเราเนี่ยพอมีความทุกข์ใจขึ้นมาแล้วมอว่าคนอื่นเนี่ยคือตัวการหรือสาเหตุแห่งความทุกข์ของฉันนะมันก็ง่ายมากเลยนะที่จะคิดต่อไปว่าเนี่ยถ้ากำจัดเขาไปได้หรือถ้าทำให้เขาหายไปจากชีวิตของฉัน ความทุกข์ที่เคยเกิดขึ้นกับฉันก็จะหมดไปนะฉันก็จะมีความสุขไอ้ตรงนี้คือความคิดที่น่ากลัวนะไอ้ต้นตอของความคิดที่ว่าต้นตอของความคิดที่ว่าเนี่ยว่าคนอื่นเนี่ยคือเหตุแห่งความทุกข์ของฉันคนเราพอคิดแบบนี้แล้วเนี่ยมันอดไม่ได้นะที่จะ นึกถึงการกำจัดเขาให้หายไปจากชีวิตหรือขอให้ชะตากรรมอะไรก็ได้กำจัดเขาไปจากชีวิตของฉันอันนี้มันเป็นผลจากโทสร ะ, ะและอวิชชาอาวิชชาคือการความคิดว่าเนี่ยผู้อื่นเนี่ยคือเหตุแห่งทุกข์นะตัวการที่ทำให้ฉันทุกข์ส่วนอวิชชาเนี่ยก็คือว่าการคิดว่าถ้ากำจัดเขาไปจากเชิงฉันได้ นะฉันก็จะหมดทุกข์ฉันก็จะมีแต่ความสุขเป็นอิสระแต่จริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เพราะคนอื่นนะเป็นเหตุแห่งความทุกข์ของเรานะจริงมันมีคำพูดว่าเนี่ยตบมือข้างเดียวไม่ดังนะตบมือข้างเดียวไม่ดังแปลว่าไอ้ความทุกข์ของความทุกข์ที่กำลังเผาล้นจิตใจเราด้วยความโกรธความแค้นเนี่ยมันก็มีสาเหตุนะไม่ใช่จากคนอื่น หรือคนภายนอกอย่างเดยวหรือคนใกล้ตัวอย่างเดียวมันยังเกิดขึ้นจากการที่ใจของเราวางไว้ผิดด้วยต้าใจเราวางไว้ไม่ไม่ถูกต้องเนี่ยมันก็เท่ากับเป็นการซ้ําเติมความทุกข์ให้กับตัวเองเป็นการเผาลนจิตใจโดยเฉพาะการที่เราไม่รู้เท่าทันไอความคิดที่มันเกิดจากการปรุงแต่งของโทสะแล้วก็ปล่อยให้มันลุกลามไปจนกระทั่งสุดท้าย มันก็คล่อมกาใจจนกระทั่งบังคับให้เราเนี่ยต้องลงมือทําร้ายนะคนที่เราคิดว่าเป็นตัวการแห่งความทุกข์ทั้งที่คนนั้นก็อาจจะเป็นคนใกล้ตัวเราจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นผัวเป็นเมียบางทีเป็นลูกก็ได้อันนี้ดัั้นขึ้นชื่อว่าไอ้โทสะแล้วนี่เราวางใจมันไม่ได้เลยเราห้ามมันไม่ได้นะห้ามไม่ให้มันเกิดขึ้นได้ยากเพราะเราเป็นปุถุชน แต่น้อยต้องรู้เท่าทันมันเดี๋ยวเพราะพอมันปรุงแต่งความคิดนะว่าเนี่ยถ้าเขาหายไปจากชื่อของฉันได้จะดีไม่น้อยนะพอคิดแบบนี้เข้านี่ต้องระวังแล้วนะมันจะพาเราเข้าเราเข้าพุงไปเรื่อยๆกว่าจะรู้ตัวเราก็ทำในสิ่งที่ต้องเสียใจในภายหลัง